สังขารที่มีใจคลองจะมีมากสักเพียงไหนก็ตามย่อนลงในสังขารย่อนลงในทุกด้วยสังขาราปรมาทุุขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง เกิดเป็นทุกอย่างยิ่งแก่เป็นทุกอย่างยิ่งเจ็บเป็นทุกอย่างยิ่งตายเป็นทุกอย่างยิ่งปราถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกอย่างยิ่งพราดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกอย่างยิ่งปราถนาอยู่อันใดไม่สมประสงค์อันนั้นก็เป็นทุกอย่างยิ่งสะนั้ทุกทั้งปวงรวมลงมาในเอตาทุกในปัจจุบันถ้ากัดสันสักหนึ่ อิสาอิสานัสสาวา่าเทวราชัจชะจะจะขั้งโลกะยะตางอิสานัสสาวา่ตัวนอตัวนอนอนอนนเนนในภาษาบาลีคนสำเนบวลาย ผมว่าถือพระพุทธศาสนาไม่เพียงเขาง่วขค้นง่วมันไปใส่ว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของหัวใจถึงจะไม่รอนก็ต้องมีเย็นบ้าง ถ้ามันมีพระพุทธศาสาราอยู่ในหัวใจแล้วรอนแบบไม่มีเย็นนับสิบไป็ลุกที่พึ่อื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเอเตนะสัจจวัตเชนะด้วยกล่าวคำสัตย์นี้โสตที่เมโหตุสปดาขอความสวัสดีจงมีแก่เรา เรากับปฏิญญานนัตติเมเสดงการยังธรมโมเมก็ตามสังโฆเมก็ตามคําว่านัตติแปลว่าปฏิเสธแล้วสาณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธภาษม์พระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะของเราและยังปฏิเสธไปอีกยังกินจีรตนังโรเวิชัตถิวิธังพุทธะรัตนะพุทธะสวังนัตติจตสัมมาโสที่ภววนตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือน พระพุพระธรรมพระสงค์เป็นไม่มีเลยเดี๋ยปฏิเสธหมดแล้วแต่ให้มีคําสัตว์ตามปฏิเสธของตนถ้ามันมีคําสัต์ตามปฏิเสธของตนถือผีบ้างถือเทวดาบ้างถือเฤกษกดียามดีบ้างมันก็ไม่ถูกไม่รักษาคําสัตว์ของตนสัจจังเวอมตาวาจาคํามสัต เป็นความไม่ตายเป็นวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายสิ่งที่ควรตั้งสัตว์ก็ต้องตั้งสัตว์สิจะถือว่าเป็นอุปทานไม่ได้สิ่งที่ยืนยันก็ควรยืนยันจะถือเป็นอุปทานก็ไม่ได้เช่นพระบรมศาสด า, ายืนยันว่าเราตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วองค์ท่านก็ยืนยัน เธอทั้งหลายไม่เชื่อหรือว่าให้ปัญจวัคชียเราเป็นสยามภูเป็นผู้ตัดสู้เองรู้เองทัดยืนยันยืนยันในสิ่งที่ถูกไม่เป็นอุปท า, านยืนยันในสิ่งที่ผิดเป็นอุปท า, านยืนยันในเลขในผาในบัดในเบอร์เป็นอุปท า, าน พวกทเล่นเลขเล่นผาเล่นวัดเล่นเบอร์ยังไม่ถึงพ่ะพุะธรรมปสงเนอทิ้งซะทิ้งตูมเลยถ้ายังไม่ทิ้งยังไม่ถึงพระพุธรรมสงค์เรียกว่าหมาหลอกเจ้าเรียศเปียปากหมาหลอกเจ้าถ้าทิ้ง อบายามกทุกประเภทจึงจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่นั่นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ถึงพ่ะพูดพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามาเดียเจ้ามาเดียปากเจ้าแกว้งหางใส่แล้วก็เรียปากนราโมลุขจเตยานิ เอาต้นไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งไม่ปลอดภัยโลจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสนานางคตโตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงปลอดภัยจึงเป็นสรณะอันเกษมเนตังโขสนานางเคเัง ในตังสารณมามุตตะมังสรรพดุขาปรมุจติพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ยาวิเศษโอสถก็คือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เหลือนอกนั้นเป็นยาจืดเจ็ดเวลานก็จืดยานี่หมดอายุพุทธธรรมสง์เป็นยาที่ไปหมดอายุ จ่กี่ล้านลาปีก็ไม่หมดอายุยาโอสดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคำสอนโอสะธรรมอุตมาวลังหิตงเทวมนุษสนานังพุทธเตเชนสดที่นานันทั้นทุวท่วสัพเพทุกขาวูปัจเมนตุเตมีความหมายอันเดียวกันทำไมจึงยอมนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเดียวก็เพราะพิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ลัทธิใดๆ ไ, ไม่เหมือนลัทธิพระพุทธศาสนาไม่เป็นเทียพึ่งอันเกษมเพราะพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิเลสนะถึงแม้ผู้อยู่ข้างหลังจะมีกิเลสก็ตามแต่หัวหน้าไม่มีกิเลสเสียแลว้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกิเลสพระนิยะสาวกทั้งหลายไม่มีกิเลส เดี๋ยวพวกเรามีกิเยดอยู่ข้างหลังมันก็เป็นเรื่องของพวกเราไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านเ่านั่นหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าดีแล้วนะลูกน้องขบวดเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะกว้างที่นึงพ <laughs> ักตันเอาใจมือโต สงก่อนข้างบวชพุทธการบวชเบื้องต้นเอหีพิคุพระสัมพทาท่านจงเป็นพิกษุมาเถิดทำเราก่าวดีแล้วท่านจงบราพพติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดทุกโดยชอบเถิดขอเรียกงเอหีพิคุพระสัมพทามาแล้วกบริ็ขานแปดก็มาพร้อมหมดมาสวมใส่ตัวเลยผมก็ร่นเอง พะเป็นนิมิตทำไมท่านจึงเรียกทำไมจึงไม่เรียกภิกษุองค์อื่นๆด้วยพระกอร่อนที่ท่านจะเรียกเอหิภิกขุปมทาท่านก็พิจารณาทีท้วนว่าพระกอพระขอโยมกอโยมขอนากนากอนาขอนี่เคยจะให้บริขารแปดครบครั้งเดียวมาในพระพุทธเจ้าก่อนๆไหม ถ้าได้เคยได้ให้บริขารแปดครบพ ร, พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาท่านจึงเรียกขึ้นไม่ใช่ท่านจะต้องการเรียกอะไรก็ได้เลยต้องอาศัยผลสินผลฐานของนั้นของท่านเทียก่อนอยู่มาก็ติชนนะธรรมนูงวสรมมาาบวชถ้าถึงใจสนาคมต่อมาเอกก็ยัดติดจะตุตตกรรมวาจา เราจะฝากไว้กับสงษานี่เพราะนานไปมันจะลบเลือนคำว่าอาหี้ยู่สมพิคุออบสมทานั่นก็สามารถจะบวชได้แต่พระสมาธิพทะเจ้าพระ อ, องค์เดียวเพราะพระ อ, องค์ทรงแลรเห็นบุพกรรมของสัตว์ทั้งหลายได้ชัดกว่าสาวกที่เคยสร้างมาอย่างไร การบวชนนสมัยทุกวันนี่บวชด้วยยัดติดจตุทธกรรมวาจาทําไมจึงบวชอย่างนั้นถ้าไม่บวชอย่างนั้นคนจะรักบวชปุริสสะสมบัติปุริสสะสมบัติคือเป็นผู้ชายวัตถุสมบัติคือมีบริขารกรบกรกรรมวาจาสมบัติ คือกรรมวาจาที่สวดไม่บกคร่องพูดดังฟังชัดไม่ผิดอักขระพยัญชนะภาษามคตสีมาสมบัติคือสีมาไม่บกคล่องสีมาทักนิมิต ให้รอบทั้งสี่ด้านไม่ใช่ในมิจขาดไม่ใช่เสีมาสังกระเรื่องสีมาพูดยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะมีอยู่ในนักธรรมเอกกรรมวาจาสมบัติพูดให้ชัดอิเป็นอิอุเป็นอุเอเป็นเออาเป็นอากัดก็เป็นกัดกรรมต้องเป็นกรรม ทำไมจึงบัญญัติอย่างนั้นพระเหตุว่าจะเกรงคนจะรักบวชเพราะจะให้มันเต็มในวายการที่ขออุปสมบทพระรมรมศาสดายืนยันว่าปีนี้จะบวชเท่านั้นปีนี้จะบวชเท่านี้ไหมไม่ได้ยืนยันเลยและแต่เหตุผล ปีนี้จะบวชพราม์เท่านั้นจะบวชพระเท่านี้จะบวชนนเท่านี้ไม่มีในปฏิปทาพระพุทธศาสนาแล้วแต่เหตุผลที่เขาจะมาบวชเป็นประทานเหตุฉะนั้นผู้มาบวชจึงขออุปสมบทคำขออุปสมบทคำพอใจของผู้บวชไม่ใช่หลอกลวงมาบวช พอใจเต็มใจมาบวชจึงขอบรรพชาและอุปสมบทอ น, นุกรมปังวปาายะขอจงโปรดอ น, นุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าบวช ด, ด้วยที่พระบรมศาสด า, ศ า, ศาทรงบังคับบวชก็มีแต่พระนันทะองค์เดียวเหลือนอกนั่นองค์ท่านไม่ได้บังคับบวชให้มีศรัทธาเอง พระนันทะ a ทำไมท่านจึงบังคับให้บวชนันทากุมารลูปะนันทาคือลูกนาประชาบดีโคตมีนั่นเองที่ร่วมบิดา ก, กันกับพระบรมศาสดามารดาของพระบรมศาสดาก็มีเพียงพระบรมศาสดาองค์เดียวอยู่มาก็มารดาสวรรคตแล้วได้เจ็บวัน พระบรมศาสราเกิดมาตึงไปเอานาประชาบุริโคตมีมาเลี่ย ง, ม า, ยงาามาเลี่ยงพร ะ, ะราหุนออกมาเลี่ยงพระบรมสารีดาทีนี่ก็ได้นันทะกุมานกับโลปะนันทาสองเพรอน้องนอกกั่จะเอากันจะแต่งงานกันพระบรมศาสดาก็เลยหาอุบายให้บวชในวันจะแต่งงานนั้นทําไมถึงทําอย่างนั้น ก็เพราะเห็นว่าพระนัน้ะเขารับพระบรมสารดามากนอกนั่นไม่ได้บังคับให้บวชเขาขอบวชเองการเทศมันไม่สำคัญมันสำคัญอยู่กับผู้ที่เขาเขารับผู้ที่เขาเชื่อฟัง ถ้าเขาไม่เชื่อฟังยิ่งเทศเขาก็ยิ่งโกรธยิ่งดา่ายิ่งแชล้งการเทศไม่สำคัญใครเทศก็ได้มันขึ้นอยู่กับผููที่เขาเคารพหรือเขาเชื่อฟังเท่านั้นบางแห่งพระบรมศาสด า, า, าไปเทศสนาเขาไม่ฟังเสียเลยพระอารณ์ไม่สบายใจ นิมนต์กระซิบพระบรมศา ส, สดาเขาไม่ยินดีพระบรมศา ส, สดาจะเทศทำไมหนีเถิดหนีเถิดเออเรามาในที่นีเาาเนนน้เรามาเพื่อนางโกนายขอยกอุทาห o r n เรามาเพื่อนางโกเท่านั้นคนตั้งหมื่นตั้งแสนจะไม่ฟังก็าตามพระนางนี้จะถึงพระสวดาบัณเราจึงได้มาพระบรมศา ส, สดา ในสังคมใดๆถ้ามีผู้เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งพระบรมศาสดาก็ยอยมเทศไม่ได้หาหมดทุกคนอืมแม่นอีอยงมาเข้าตาใช่นี่นั่นมาแล้วมาเบิงเ่งให้ไว้นั่นๆเดี๋ยวๆเยวขยียาา่ยมันจะตายได้เนี่ยเห็นยวร ก็เพ่งค่ยเป็นดอกแต่บวดมานี่ น, นี่ตัวนึงมาอีกเนี่ย น, นี่นี่นนนนกข้อ <ś hy> <c oughs> เห็นบหเห็นไหมเห็นไหมเห็นเออ ธรรมเทศนามันเทศอยู่ที่กายกับใจของเราอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนฟังอยู่ที่กายที่ใจฟังเทศจะฟังกันลมหายใจเข้าออกหรือจะฟังกันพุทธโทรหรือจะฟังกันธรมมทท ร, ธรมโมสังโฆคุณพุทธโทธรรมโอสังโฆก็ไม่มีประมาณเสียแล้ว จะบริกรรมจนถึงวันเราตายก็ไม่จบจะกี่กับกี่กันก็ไม่จบเพราะมีคุณมากจะย่นลงมาเป็นพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรณาคุณก็ตามก็เป็นคุณอันใหญ่หลวงมากผู้ใดไม่เห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ื่อนั้นเป็นผู้อกตันอยู่ มองไปไหนก็เป็นคุณพระพุพธทธธรรมพระสองหมดถ้าจะพูดในทางวัตถุนิยมก็ดีถ้าจะพูดทางอุดมคติก็เหมือนกันขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมเอาความเป็นธรรมมาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธศาสนานัานเองทำสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมสังสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมก็คือเอามาจากไหนเอามาจากพระพุทธศาสนานัานเองธรรมศาสตรสานาสังฆศาสน า, า น, นั่นเอง ที่ชาวโลกไม่เบียดเบียนเส่งกันละกันก็พระมีพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าของโลกอยู่แล้วพระพุทธศาสนาก็คือหัวจักของโลกนั่นเองศาสนา อ, าอื่นๆก็พ่วงพระพุทธศาสนาพ่วงไปแล้วเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาอยู่ในตัว จะสำคัญมั่นหมายสักเพียงไหนก็ตามจะสำคัญดีเด่นสักเพียงใดก็ตามก็สำคัญผิดทั้งนั้นยินดีในพระพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกและล่าน์คณะคิดอีกเสียด้วย คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณมิตรคุณสหายคุณพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญหรือคุณอันใดก็ตามเป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธธรรมสงคุณพุทธธรรมสงก็เป็นไปรวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระเนพานพระธรรมทั้งหลายก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระเนพานพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระเนพานผ่านนั่นไปไม่ได้เพราะที่จบจิจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นนั่นคืออะไรนั่นก็คือใจคือธรรม วันคืนของผู้ถือพระพุทธศาสนาะเป็นวันคืนที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเป็นวันคืนที่ไม่มีคุณค่าเป็นเวลาที่ไม่มีคุณค่า ไม่รู้จักคุณค่าเป็นคนตาบอดหูหนวกผู้ที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือผู้ตาบอดหูหนวกนั่นเองตาบอดคืออะไรคือตาปัญญาปัญญาบอดผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเลื่อมใสพระพุทธศาสนานั่นเองได้ดวงตาเห็นธรรม ผูไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเขเรียกว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมเมืม่อไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาะก็ไม่เลื่อมใสในธรรมศาสนาะก็ไม่เลื่อมใสในสังฆศาสนาก็ไม่เลื่อมใสในคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไปอันเดียวกันก็เป็นคนอาการอยูไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้อื่นนะ การด้วยจักบนคุณของท่านผู้อื่นกับพระพุทธศาสนากรมกลืนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนะไม่แสลงกันเลยภาษาดีบุตรไปบินทะบาทเขาใส่บาทให้ทับเพีเดียวเท่านั้นองค์ท่านละเลือกได้นั่น ถ้าบอกลมศาสตรดาทรงสรรเสริญจงเอาเยี่ยงอย่างสารีบุตรเถิดการไม่อกตันญูของท่านผู้อื่นสารีบุตรเป็นคนมีปัญญามากและลึกถึงคนเราจะทาคตตลอดถึงพระธรรมพระยสงฆ์ตรงเกลกืนกันอยู่ว่าเป็นมากนักจะกี่กับกี่กันก็ไม่หมดเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญามากผู้ใด มีเชือกยาวก็ขึงได้ไกลผู้ใดมีเชือกสั้นก็ขึงได้ใกล้ผู้ใดมีสายตายาวก็มองได้ไกลผู้ใดมีปัญญาลึกก็มองเห็นลึกผู้ใดมีปัญญาสั้นก็มองเห็นสั้นเครื่องหมายของมนุษย์ก็คือพระพุทธศาสนา ผู้ประพฤติพุทธศาสนาะผู้ยินดีในพุทธศาสนาะเป็นเครื่องหมายอันดีแล้วผู้ไม่ถือพระพุทธศาสนาะเป็นผู้เปลือยกายในโลกไม่มีผ้าุ่มงผ้าห่มเปลือยกายเข้ามาในวัด เปลือยกายให้โลกดูเปลือยกายให้นักปราดดูไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีอาหารทางกุศลพลบุญในด้านจิตใจอีกเสียเลยนั่นมีแต่โทษกับโทษบวกอยู่ที่ใจเหตุฉะนั้นอัญญสัตว์ทุเทศถือศาสดาอื่น จึงไม่มีในสุปฏิปัโนโนรงโอในพระพุทธธรรมผสมอย่างถอนไม่ออกคนหนึ่งเขาจะมาเยี่ยมวันนี้เขาไม่เคยเห็นเลยเขาเคยได้อ่านหนังสือเรื่องประวัติเขาอยู่อุดร คนประมาณครึ่งคนพอมาถึงบ้านคำนังโอกรถชนต้นไม้เลยชิบหายยับเยินเจ้าของก็เกือบตายถ้าผู้ที่ถือเลิกถือยามกูไม่ไปมันหล่กกูนึกจะไปผูเจ้าก้อล้วมันมาเกิดอุปสรรคน่นี่มันไม่เสียเลยพยายามมาจนได้หัวแตกเลือดไหลมา ถ้าผู้ถือเศยตศาสตร์เราไม่มาล่ะมันขี่เสนียงอย่างนั้นอย่างนี้ันจะพูดนะกูนึกว่าจะไปเยี่ยมพูเจ้าก็กูมารถเสียรถซื้อหลายแสนบาทชนกับต้นมะม่วงเสร็เลยมาวันนี้คืนไปเมื่อกี้นี่ถ้าคนเป็นเมตช้าเะติก็ต้องกล่าวตูลวละใช่นี่ไอ้พระผีบ้า ผู้ผีบ้า น, นี่กูไม่นึกมารวดกูก็ไม่เสียมก็จะไปละทีนี้นี่มันไม่ไปเช่แล้วมันพูดเป็นธรรมะเหมือนพาาระหันมันพูดเป็นความผิดของตนเองยแย้มแย้มแจม่มใสซุกํำลาญบานใจเลยหัวก็แตก ด, ด <c oughs> ม <c oughs> ก็ไป เป็นคนหากินพอปากพอท่อเหมือนกันหมอเนี่ยหัวแตก ม, มุดเลยรถใช้ไม่ได้เลยละรถรถใหม่ใหม่ถ้าผู้ที่ถือมองคลตื่นข่าวก็บอกว่าเออโชคไม่ดีไซน์ไม่ดีโชคชัยไม่ดีเสียแล้วไม่ไปหีแม่มันละ นี่มันจังมาเลยยิบแยบแกวสามาเชียดด้วยมีพระเป็นพยานเอกเสียด้วยนี่นี่นี่องค์นี้เห็นด้วยนี่นี่องค์นี่กูเห็นด้วยนี่จิตใจคนเราถ้ามันถึงมาพูดประทมประสงแล้วมันไม่เพ่งโทษอันอื่นหรอกมันเพ่งโทษตนเองถ้ามันเก็บมันปวดมาเสียหลัก วิ่งรถเร็วเกินไปพอตรงเียนทรายมันก็วนว่าอย่างนั้นหักไม่ทันมันคำนั่งอกถึงเธอจะตายในวันนี้เธอต้องไปสวรรค์อย่างต่ำเช่นนางปุณณชาสีเป็นต้นส่บาศพระบรมศาสด า, า, าด้วยข้าวกี่แล้วก็ยินดี เดินไปจนลืมปรปเหยียบงูกัดซะงูกัดก็เลยตายเกยไปเกิดในเมืองสวรรค์เออวันนี้กูทำไมมาอยู่นี่เออกูไปใส่บาตรให้พระ อ, อ ง, งูกัดกูกูตายแล้วกูมาเกิดในเมืองสวรรคนี่แกรู้จักถ้าพวกไม่ชา้าจิติทำบนกับพระพุทธเจ้าอะไรก็ยังงูกัดอยู่มันก็จะไปอย่างนั้นะ พวกวิชาธิทฐท่านใจใจลูกกับเรามาตายว่าม่มอยากท่านหัวย้มให้จะหัวมีย้อนแต่มันมีอยู่มันมีอยู่ในอินไซซ่าดในอินไซซ่าดเน่ยไปยืมเขาเพื่อนมากินไปยืมเขาเพื่อนมากินนะเคยผ้ามูสางลำ บ, บองกอซาร่าเวลาที่ตาย ก็เล้นึกถึนผ้ามูสาร บ, รบรกกอซาลาเวลานั้นตำแหน่งของพระ อ, อินก็เลยวางเพื่อนก็เลยเป็นพระ อ, อินเมืดจากพระ อ, อินแล้วซีเนมาใส่ซาดเป็นคั้วไทยหน้าให้เขาคนนี้เพราะยืมเขาเขากินว่าไปใส่เพราะยังหันเป็นพระสวดาบัน ยังไม่ถึงพระสวสดาบันถ้าถึงพระส ว, วัสดิบาลแล้ ว, ไ ม, ไ, วมมไม่ได้เกี่ยวกับมาเป็นสัตว์มาเป็นสัตว์จิตรสารไม่ได้เกี่ยวกับมาเป็นมนุษย์ที่ต่ําต้อยไม่ได้เกี่ยวกับมาเป็นเปรตตัวเวทสัยอสุรกายและนรกใดๆทั้งสิ้นนี่เพราะยังไม่ถึงพระสวสดาบันถึงพระเอ็นเราจะมหัศเป็นพระส ว, วัสวดิบัลเรียกว่าเอินใส่ซาก เหตุฉะนั้นสินสินของสุปฏิปนุจึงไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าหากว่าเรารักษาสินของสุปฏิปนมุมาได้แล้วฉะนี้นเราจะรักษาสินของอุชุยายะสามีได้นัดสินสุปฏิปนุก็มีเพียงศินคารคือสินห้า ไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอยากจะร่วงเลยไปในสังคมในวัดหมู่ภารับศีลก็รับแต่ไม่สงสัยว่าศีลเจ้าของขาดไปไหนพระเจ้าของไม่มีรับลงคมในว่าจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในสิบในกรรมดื่มสุราและพูดปดอะไรไม่นึกในจิตของต น, นเลยแต่หมู่ภาเอาศีลก็ต้องเอากับหมู่เพื่อรักษาสังคมเฉย ไม่ต้สงสัยวัคซีนต้นขาดไปไหนนั่นสุภาษณพรโนต้องเป็นอย่างนั้นและไม่เสียดายจากลวงละเมิดอบายยมุกถ้าเสียดายอย่างลวงละเมิดอภัยยมุกอยู่นะั่นน่ะมันไม่ใช่พระสวัสดาวันดังเป็นพุทธชนคนหนาอยู่เห็นของดีแล้วไม่เอา คนเราให้ถึงธุปเจ้าปโนแล้วมันจะจึงจะปิดอบายกระพุมทั้งสี่ถ้าไม่ถึงอ้ธูปเจ้าปโนแล้วมันยังเปิดอบายกระพุมิทั้งสี่อยู่ธูปเจ้าปโนหัวดําธูปเจ้าปโนแต่ฝ่ายพระฝ่ายเนรก็มีอยู่ยังจะลาซืขาไปร่วงละเมิดอยู่นั่น ยังเสียดายอยากกลาชิขาไปล่วงละเมิดมันก็ยังไม่ถึงพระโสดาบันถ้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดจึงจะเป็นสุปฏิปันูทําไมจึงไม่เสียดายเพราะเห็นว่ามันเป็นบาปจริงๆริงจึงไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดน่นไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษล้วน ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นิดหน่อยอย่างนี้มันก็เว้นไม่ได้นักหนักสินห้าไม่ต้องเอากับพระก็ได้เว้นเลยรู้จักข้อปฏิบัติเดี๋ยวแล้วก็เว้นเลยสินแปดก็เหมือนกันสินอะไรก็เหมือนกันสินคารวะไม่เหมือนสินพระ ศินพระต้องบวชเสียก่อนถ้ามาอย่างนั้นมันจะไปรักบวชเพราะมันชี้เกียรติทำนามันจะเอาชนะเขาเกินไปเหตุฉะนั้ น, นจึงมีอุปชาบวชส่วนฆรวาดไม่ต้องเกี่ยวหรอกเพียงชิ้นห้าก็สามารถถึงพระรหันต์ได้ถ้าปฏิบัติได้ศินห้าสิ้นแปด ทำไมจึงยินดีในพรนะานเพราะเห็นในใจสังขารเต็มไปด้วยความทุกข์จึงยินดีในพรนะานถ้าไม่เห็นสังขารเต็มไปด้วยความทุกข์มันก็ไม่ยินดีในพระา槃เพราะมันจะหาความสุขแข่งกันอยู่ในโลกนี้อยู่ผู้ใดจะหาความสุข แข่งมนุษย์กันอยู่ในโลกผู้นั่นเห็นทำไม่ชนิดพูดถึงพ่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตตามเท่าเข้าสูพ่พระาา槃มันเป็นภาวนาอยู่ในตัวพูดถึงพ่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวเพราะเป็นพุธทธาธรรมาสัขานุสติอยู่ในตัวเป็นศีลานุสติอยู่ในตัวเป็นจาคารุสติอยู่ในตัวเพราะจิดใจไปทางนั้นเป็นส่วนมาก ท่านรักษาศีลพระว น, นาอย่างนตั้งแต่ข้าวของเพลินข้าวของโตหรกข้าวบัวหัวซ่าบุญมันเป็นโจทั้งไหนบาปมันเป็นโจทั้งไหนพราะว่าเข้าไปมรหค ก, กับแมันข้าวของโตที่บานเนี่ยข้ารักษาศีลพระว น, นาแมันของเพลินกับข้าวเป็นสวรรค์ในพรานกับแม่ของเพลินเัร็แล้ว อ, อ มือมือเศ้านี่มือเศ้านี่มือร้ายมือเช้านี่มือายมือเศร้านี่มือายมือเศร้านี่เพ่าเศร้าห่พเอา่าพัะไปพอเนาะ พอ่อเงาล้วรนอมาในนอพระกาเป็นชุกประชุละลกละเป็นห่วงน้ํางาน้ำโยมน้ำเล็กน้ำผาน้าบัตาเบอร์อเดียเนี่ยมันแนวอื่นมาเป็นห่วงเลยเดียวเนี่ยการเศร้าอันนี้ล้วสิเทสสูงก็นี่บลิปเม็ดเปล่าอันนี้มันของเยอะอันนี้ก็เสียมานำเยอะอันนี้มันของบ่นึงไปปดบ่หนึง่งหุ่มมันก็บพรเป็นเอาอย่างให้ง า, ยงาโยมเศ้าเลยเลกเดียนผาเบดะกันนี่ย จัตเทศสูงไปก็นี่เดียวเนี่มันฆ่าอยู่นี่ไปปดพุ่นบ่บ่เป็นแน่อมั น, นขั้นบ่เก่าไปเก่ากันนองมากขยังงนโนมเห็นโทษทั้งเลขทั้งผาทั้งวัดทั้งเบอร์จัตเทศสูงก็นี่ชิบหายวาวอดยุทรวัฒแผ่นด่นแผน ง, งานกันไม่อันเดียวกัน มัวผลมัวเศร้าเฮาเศ้ามันตัวมันดีเนี่ยผนเศร้าบ่ได้เฮาเศร้ามันวมันดีเศร้าเทฝนที่ตัวขําเนาะอะไรเนาะมาเนาะอ้พากันพรวานาเนาอเออพรวานาผูทู่ผูท่พอเขาเริ่มหายใจเขาออกก็ดีอยู่ก็ตายค้าผูท่พร้อมก็เมหายใจเขาออกไปสวรรค์มันไปสั่นรู้สนกผตายค้าหันบัดย่ำ ป่วยไหมยังเสียมาหัดบ่ได้เสือพี่ชนาอันนี้จังทุกครั้งอนาตาพ่อเขาลมหายใจเขาออกก็ได้หรือสิพี่ชนะตายตายแต่ตายพ่อมเขาลมหายใจเขาออกก็ได้หรือสิ่พี่ชนะทุกทุกทุกพ่อเขาลมหายใจเขาออกก็ได้หรือสิ่พี่ชนาว่าะมาแฉเร้ามาแฉของเราไม่น่าจะกรองทุกพฟองเขาลมหายใจเขาออกสั่นก็ได้ยังรับค่ากันเถอะ คันเดินเอาไว้ครับขาก่าวออกเดินคันนั่งเอาไว้กับล่มหายใจเข่าออกก็ะไรอยู่คันนั่งเอาไว้กับร่มหายใจเข่าออกก็ะไรอยู่นนนร่มว่าร่ ม, ร ม, รมก็สร้างแ ก, ก่ปฏิตรอนตายก้อนไข่คันบดผ้าวา น, นาเข่าเราสี่ขอไปขึ้นจะพะโมกขาน่าโหลดมันก็บอะไรแล้ว เราเสียแสดงฤทธ์แสดงเียแต่เพื่อนเห็นใหญ่คนในไตโรคกะท่าเดีย๋ยวมโนบใหญ่เขาออกยั้งมาให้ เ, เออ ม, ห ม, มันกับ่ได้เป็นละ่ะขบถ้าเขามอบไมืหนึ่งบุษย์ใช้ว่าสีเอาได้เหรอนเอาเอามื่อจะตายในตโรคกท่าสิผ้ากันนี้เดีัยวเาใส่สเอาได้เนี่ยไม่นนันเหมนั่นให้พ่อใช้นอกวันี้นอกอะนอกสาสิบหะ ให้ฮาก้อนน่ะห้ประเดังจะเดียกว่าห้แสิว้ยูม่าที่สัดแห้งมาหลายเมื่อนี้พอห้เมื่อนี้ชี้หายให้เราเมื่อนั้นให้แห้งมากใหญ่เลยเมือนนะฮให้สารพัดเนี่ยเคยเห็นอไรให้บัดเหมือนเดี๋ยวไปใช้เวียเจ้าให้เหมือนเมื่อนี้พอห้เราเมื่อนี้เราบอกกันนะเราให้บอก็นนะเอาสันใ้สารพัดแหงมาก หลวงูมันเพิร์ลมาเล็กดีมันรืลบวะท่านฟันคอยก็เข่าตามคอยฟันแห้งก็เข่าตามแห้งมาสั่นเพิร์ลมาหลวงพูมันเพิรอลเล็กพดกนี้ฟันค่อยๆกับเบื่อบ้านมาสั่นฟันแห้งกับหักบ้านมาสั่นฟอดกระป้าผม่าสั่นเพิร์ลมาหลวงพูมัน อสมมติท่นี่คนเฮาหออลายๆคนยังเสดทั้งพาทั้งเน่นนี่แลหละหกออกนี่เต็มไหยผูกข้ อ, อนี่อัปักตูรัดจะโย่ไม่โย่ปู้ได้ชี้เหี้เต็มนี่เต็มมุดเนี่อัปปะตูรัดไว้ผู้ได้ชีเดียวถ้าได้คมหัวรุดอย่ได้ปะ อยู่อะไรวะอ้ า, อาสมมุตินนน เ, เนี่ยคนได้ร้ายเขานี่หลบเลี้ยวไปเราเห็นจะเห็นกจ ะ, ะผีตายรับทราบแล้วเห็นจะห้างกระดูกกระโขกเต็มอยู่บัดเนี่ยสิย่งใดว่าผูกอะเนี่ต้องสมมติจังสั่นบ้ามาสมมติจังสั่นบ้าอะสมมุติหลอกหนังออกบัดเนี่ย คือกบขายให้ผู้เลสกระตางเอาว่าเบ่เขาบาอกว่าสาวใสอ่อาว่าเกาะยากไปนี่ให้เอาเอาขอข้ อ, ขอให้ใส่ซอยเอาบ่าสาวเอาว่าวัดกุ้อนี่แหะเอาสมมติอาจารย์ได้เราบอก่สมมติอาจารย์ว่าอะไร เราบอกว่าเป็นดินมัดอะไร น, นี่มีแต่ขี้ดินนในโลกอันนี้ในโลกอันนี้ก็มีแต่น้ำมันนี่ดินบูนมีในโลกอันนี้ก็มีแต่ไฟในโลกอันนี้ก็มีแต่ลมเอาบไปหานัน ตายควมตายพี่ชนะพ่อขอลมหายใจเขาออกแขงดีร้ายพจาชนะควมตายพอองเขาลมหายใจเขาออกพี่ชนะมือละรอยข้างย่างประมาทโยบองเจ้าเพื่อรอพจาชนะพ่อก็งเขาลมหายใจเขาออกจังบุประมาทมิอันนี้สงลายก็แน่วลมหายใจเขาออกกับมิอันนี้สงสามสิบประการ กายกละตาสติกับมิอันิสมน่อยก็นั่นลมหายใจเขาออกกับพี่แกนาะควบตายควบกันนี่ยโมีประมาณามาพระพราหมาหานิสังสานเห็นด้านเพิ่นจังจัดไะไรมรณะสุรที่หนึ่งที่สองที่สามเนีเว้าวอกสมอเนี่ยเท้าวอกหลายซื้อได้บัตรเท้าเฮ็ดบได้เฮ็ดหลายเท้าวอาเน้ยมันไม่ได้เท้าวอกหลายก็เฮ็ดบัตรแนว สร้างมือมันไงสร้างปากมันไงเพื่อนวันดิ้นมัไม่มีกระดูกขนาพี่กันหน้าขนาเห็นทางกระดูกกยว่าไม่กระเวี้งขึ้นสิกิตเรมันสีมาแต่ใส่จ้างมันกระเพาะว่าแล้วสมมุติตัดขาควงถิมยัไปแนมอันทุ่งควงถิม เนีมไร้ซ่วมมันกุดอยู่เนี่สมมุติตัดข้อควางถิ่มเอียนดนุ่งหลงกันทังฝ้าว่ะอันซุ้มควางถิ่มมันจะไปเนี้ยมเนีมไร้ส่มมันยั่งเยสมมติพานี่ลงมาดีเสียขักวออกคือไกลนี่มันสีไม่หยั่งอยู่นี่เนี่ยสมมติว่าตายเผากระดูกพ้อมเก็บกระดูกพรอม เครือ่อ้าสยามในโลกมันมาสามารถอาศัยกันเท่าพี่กนันามันกับ่มี่ถึงมีกิเลสอ ย, ยมันกับอยู่วได้ห่อนหุนที่ยุติคิเลสโอ้ยกันสิรบวนฆ่าไปนั่นฆ่ากับว่ า, าเป็นใจโยแล้วมันก็ทิวัสในคิเลสอะลบวนย้อนอายย้อนหลังไปนั่นฆ่ากับว่ า, าเป็นตจโยแล้วมันก็หนีตัวคิเลสนีออกจากใจเขาเนี่ยเขาปล่อยให้มันอยู่เป็นเอเย่นอยู่ว่าลกวนมัน พี่กหน้าก็มาถานเราวดมันเต้ย้อหน้าย้อหลังให้มันดูอย่งยางง่ายเต้ยให้มันยูดนเมืองหัวใจเขาเนี่ยมุดแต่เนี่ยสิพี่กัน่าไปนั่งทายกับพี่กหน้าเ บ, บาบงเบ่งใบหบใบออกงานนี้แหะเ น, น เ, นนเนี่ยกินแฉะมันขึ้นนี่ก็ว่าสันระบอ เอ้าเอามาใช้ดั่งมึงรูว่าสันพียงนี่เนี่ยเอจ้าว่าแสบแสบมั้ยสันพียงเอายำยาใช้มันสัตว์อะเอายำยาใช้มันมาได้ถ้าจะเอาสื้อผ้าใช้มันมาได้เลยจะเอาเสื้อผ้าเอาเจ้าสู้ใช้มันมาได้เลยเอายำยาใช้มันมันจังได้เลยเกลียดเอยถ้าจะเอาสื้อผ้าใช้มันเอาเรียบร้อยใช้มันมาได้เอายำยาใช้มันมันมากยาบอ่ะ ใส่ทั้งหนึ่งอยู่ทั้งข้อหอยใส่ทั้งหนึ่งอยู่ทว่านนักทบไปทบมามี1ิปเอ็ดขดในลำใสเพื่อได้แตงข้นน้อยไปล่างชักเถือกินมันที่เป็นยังไงแต่มันเกิดมากมันแต่มันอยู่ในท่อมันกินมันอยู่ในหันอยู่ในลำไส กินเหม็นมันบ่มีกับเว้นขึ้นน่ะเนี่ยน้ำใสเอาเข้าในีกยถ้าคละกายเอาเข้ากับขึ้นกันหละทว่านักทว่านเบาของเขาน่ะทว่านักทว่านเบาของเขาว่าล่างได้เขากล้า่างตั้งแต่ทั้งนอกไปตัวทั้งในไปสิไปล่างได้ปากเข้ามานี่ือกันกันแล้วนี่เดีเพื่นว่าอาชุพะอาชุภังมาสั่นใครเห็นเป็นปฏิกรูน่ะผู้ใดปฏิประมากายกตาสติผู้นั้นประมาพระนิพาลโฮติจ้า เรียกว่า ก, กายคตาสติเองนี่ยงพ่ายิตตลาดขับรถขึ้นมาผู้จัก่อนยังไงยังไงว่าขับรถสองขาขี่เตี๋ท่องบบ น, นี้ขับรถไปเมื่อบ้านนะเนี่ยนอนเฝ้าเยอะก็ขึ้นมาพระง่ายิตตลาดนอนเฝ้าก่อขี่ยุ่งว่าตัวสลาดพละเทศกับบฟัง แม่บอพระพุทธเจ้าเทศกับว่าฟังจาไปแทะน้อนเฝ้าของขีจะของด้วยง่ายคิดตลาดนั่นรากาพูดได้รากาจัดรากาจัดก็ต้องพิจา็นาอันนี้โทษสายจัดกับพิจา็นาเมตตาโมหะจัดกับพิจา็นา อันไม่ใช่เราวม่ใช่ของเราพี่ก็ น, น่าแงะโลงเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมอันนั้นโมหะจัตตโลกโมทโทโสของส่วนตัวหลายโลกโลกโทโสความของส่วนตัวหลายพี่ก็ น, น่าควบตายค่ายเองยะทาวาริวาปบราปเรปเรนเดซาคังเอโมเม นีโทษินังเนยตาังมุปาปฏิอจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสสะเมะตุทั้เพื่เรนตวสังปจันโทนรโสยถาโชาโสยถาสพีติโยวจันตสุโคโยโรโเวนตมาเทวะตุอันตระสุีีาโโภอภิวาทสีนิสันิจังมุาปชาโชัตตาโรธมวตันติอายุโนสุขังะัง มือดาย้มงมแหงแห้งนเฮ้ยคืนไปเทิร์เลยได้ใช้ออกซิเจนเว้นน้ำกับอไรเว้นน้ำกับอไรได้ใช้ออกซิเจน้ยเกียบตายมันอนเด้โอ้กับโดายมอันเด้เฮ้ยงอันเด้เฮ้ยือกจะว่ได้ใช้อะไร ผู้ใดผู้เสือ้อมกรรมและผลของกรรมกระถึงไตรสนาคมผู้เสื่อมพระพูทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจว่าค้าสอนในแต่โลกทาเนี่ยก้อเหนือค้าสอนพระพุทธศาสนาไปอันนั่นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเลียกเลยคือดวงตาเห็นธรรมเรียอเลยแนะละสักอยัคติถิอะพย่อมย่อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลย วิชีพศากับประสงสัยในพระพุทธพระธรรมประสงค์สีระพตปมากับ่ลูกข้ามในพระพุทธพระธรรมประสง์น่พระสักขะ่าข้ามีอันหน้าฆ่ามีผ่านก็เปิดประตูไปเองมันบอกสันเปิดประตูพระโสดาบันไม่ได้ย่าสุหลวงท่านค่อยสิได้กินหน้าบอกอินวันเหรอมนุษ์สมบัติเนีอบายมุกเว้นอบายมุกแนว่เว้นอบายมุกเป็นันุปฏิบัติเนี่ อบายยมุกบะมีเต้นนี่เดี๋ยวแต่เลี้เลีนผาเลีนบาเลียนเบื่อเลยนักเลงหญิงนักเลงชซนานักเลียงเรื่องการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียวกัขัานทำงานในทางที่ชอบอบายยมุกทั้งนั้นอันมวยคบมิตชั่วมั้ยอบายมุกทั้งนั้นเราเป็นเราท่าเรเป็นท่ามนุษย์สมบัติท่ามนุษย์ได้บัตราะี่ขั้นเหตุงานกับมนุษย์ด้บั มักจะอ้างว่าหนาวนักแล้วมาทําการห่อ น, นักมาทําหมืงานหิวนักมาทําองานย่างเศร้าอยู่มาทําหมืงานหิวนักมาหายนักมาทํากมืงานนี่ท่าแหงช่างเสียหายสรัพย์สมบัติทั้งนั้นี่พระพุทธเจ้าสอนวัดไปแล้วสอนมนุษย์สมบัติตตเต็มภูมทิทะ้งกองหลวพุทธเจ้าจังไปสอนสวรรค์สมบัติจังสอนภูมิสมบัติจังสอนนิพพานสมบัติเป็นขั้นตอนไปพระพุทธเจา้าเพราะพิธารณาเนีออกมาจากมนุษย์เด้ออกมาจากพอจากเมรุเนี่ย ก็ต้องสอนมนุษย์สมบัติก่อพุทธเจ้าหน่มนุษย์สมบัติเท่านได้ไหนเด้เฮาขาสองแขนสองหัวหนึ่งเอ่เท่าไหนมาจะศาสตร์กรหม่าเป็นคนบ่าใบเสียเจลิศพทษมนุษย์มนุษย์สมบัติเฮ้ากรักษามนุษย์สมบัติเท่าไหร่ี่เนี่ยกะว่เรีนเลเรีนผ้า่เรียนอบายโมุกระบนี่ เว้นนโยมกถูกประเภทป่ะเทศได้อยากลองระเบิดสินหาอยงก็ประเสศได้อยากลองระเบิดเพราะเห็นว่ามันเป็นทางเสียหายดิ้งลงไปแล้วมันก็บระเทศได้คันเห็นว่ามันเป็นทางจะเลื่อนมันกระเศร้าไปไลยันเห็นเสิยงไหนว่ามันเป็นทางเสียหายดิงเรามันกัดมันกระเศร้าได้มันกับยากเลยขึ้นนำไล่เราบบวนออกทิมเลยนเอาว่ามีประโยชน์จังเลเท่ากับประเสไดเอาขึ้นมากินมันกสินักใจอย่างเดี๋ยวสั่ว่าเรขขวาวัดเบอร์เ่กันนะ การเท้านั่งขึ้นการอ่ะการเท้าเห็นดิงว่ามันเป็นทางเสียหายตรงตรงอะไเฮ้าก็บว่าเฉยไรจากเช็ดอันนี้เป็นยังเฮ้าต้องเข้าใจว่ามันสีได้ก็บพอเฮ้ายังเป็นมิตราทิฏฐิอยู่มันยังเห็นผิดอยู่วันเนาะยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นกงจักก็แม่นหนกบัวเห็นจหัวเป็นไปผูกอเลขกวันเนาะบอกสั้นสมมติในนี้สีมันไม่แจกใสอ๋อไม่แจกเอาใบยางมุกแบนว่ะนะ คนไดงเงินมาแล้วพ <c oughs> ่อประทรงงวดเขาถามาไปมากูไปจอมจักบาก็น่าสั่นไปจอมเาปวามไปสงวดสมงวดเก่หัวงอเกี่หานหะนักเขานักเขานักนาทิสิลาหามนุนอยู่บ้าเขาอ็มาหบเอาให้เขาออมาหิบเอาหน้าใช่ไหมเขมาหิบเอาเงือนเอาซานกัทศชีสมจงองั่นตัวแล้วแค่ไหนนะโอยท่านนะไปประเทศญี่ปุ่นแบบว่า ไ ป, ประเทศนี้พูดกับตะโดตาต่างตายอะไรรับแขกไ่ไหวไปทะไมเจ้าราเคลี ก, กันแล้วจะ <laughs> เห่ามันของเน่พี่มันต้องแก้พี่คาร่าหรกมันผลนื้พาอาหารอาหารว่ตายยังจะเอาใอ ย, ยมมั่กนยังละเราะท่านาไหแม่เ่ราะอนไรประเทศไกยะนอสองเจิงน้ำมือเจิงพลันน้ำผักไปกระโดดข้าวเมืองกูเหน็นอันเดียร เราผู้ข่านั่งเาน้เลยท่านผู้ข่านั่งเผ่าหน้าเลยเพนนื่ อ, อนบนั้นบประเดเียเ ล, ลีงอยู่พระอว่าตัวได้ถึงพระสดาวันไหมท่านแล้วพอไปถามเลี้ยงก็ไปถามเลิกถามงามดีเยอะดีงามดีมันมไปพระโสดาวันมันสดดันโสเด า, ดาเาว่าโสดแค่นี มันถือตะต้นตะกอนตัวเขียนตะกอถือตะกอนตะกัดตะโกนอะัรจำวันไหนจะไปเหยนตะขอตกข้อตะงอไปยี่ส่งไหนฉันได้ืินกันตะมรุษมัดก็ยังมาถือสะวันสมบัตมันก็จะถึอยี่สิ่งไหนพลอยไหนกับพระคำเศ้าของตัวลูกหลานผู้ขาเทียงผูกขาเนี่ยฮาเล็กเทียมันยังได้ยนี้ฉัน ในหน้าท่งนั่นเราใชเดียวเนี่ยเอ่มันสืเอาไปจานอกเม่ราบอกเอาลวก่าหวเอางอกหรือเปล่าเนี่สวนซ้บริาเนี่ยไปใช้บริัไปจานอกม่อเบอเอฮนี่ที่ดินสื้อบริหารไปใบริษัทองเมันอาบไฟไหมเละไหม้เพื่อนไหม้านมันที่ดินมันยั่งไฟไหมเ็กไม้พาที่ดินมัยั่งไม่วะไปจ่อยวะเพราว่าเก่าหัวเรงอกด้วยเสียงกรบเพือนนั่นมันเอามาพ่อพ่อมนมีเงินไป หอกตลาดตัวเน่ไ้มเอาว่าหลวงพ่อหน้างึงมีเงินนับจำนวนล้านแน่นอนซีหาปีหลังขาจวาวมาให้ฟังไปเรียนเลขบึ้ดตกลงบ่ไปผ่าทายอาบนา้ำลุงอาบนา้ำบึ้ดจังไลยไปสั่งได้บางวันบิ่นพึ่งพึ่ ง, งมาสั่น เนี่ยมเป็นปีเป็นเดือนมากกับบ่มีเนี่ยไทยนะเป็นปีเป็นเดือนมาไปนอนในน้ําบนเขาขายของน้าถนนนะเนี่นน้ำแรงมาเขาขนของเข้าบ้านอะไปเฮ็ดงานใช้เขาก็บมาลับโอ้ยคนชิบหายทุกป่านนี้เลยแยเอามารับเท่าขี้ข่านซื่อเคียงนุ่งเครื่องถือให้มันมันสีแสนงห์มาทั้ง มาเป็นลูกเจ้าเขาก็ไปชีเ้เสียงขึ้นกั น, นะกน ล, ล่นนะพรมีเงิ่อนรายการล้วก็มาเสียมดหลาของสีวสัน์เอาไปเรียนมัดวสันพระพุทธเจ้าสอนไว้ล่ะเด้พระพุทธเจ้าว่าสอนบูมีจักแมวเนี่ยอะไรพระพุทธเจ้าว่าสอนบูมี่เด้หนึ่งยังสองอยังสามยังบมีสอนฆรวาสขึ้นกันบันทิตัวฆมาวาสสังบันทิตเป็นผู้ครองเรื่องบันทิตเป็นผู้คร้องเรื่อกนก็คือพระสงฆ์ับาเนเข้าดีๆนี่แหละคือผู้มีสินหานี่ย สิผกข้องกันวิธีไหนของโลกเขาขึ้นจากหัวก็ปะปา น, นจากหัวหลอกทำเป็นโรค ก, ก บ, บาลคุ้มครองโลกสองอยา่างความละอาต่อบาบความกลัวต่อบเท่ า, านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีอย่างอาต่อบาบไม่มีความกลวต่อบาดแล้วก้อนไม้ก้อนหมูก้อนพกกพวกก็ตั้งมาอยู่อู๋ของทําไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วยในทแจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นรับสันรับเส่นเหมือนไม่อาศัไม่จากบุ๋มีอย่างอายต่าบาดคนละ คำว่ายักอายต้อบาบมั่กว่าต้อบาทเลยมันไม่อยู่หรอกกฎหมายมันก็ดอยู่ในหนังสือพุ่นพระไตไปรัก็อยู่ในตู้พุ่นมันี่ตู้จิตตู้ใจของคนมาอยู่ในตู้ขั้วบัพปืดของคนมันอยู่ในตู้ตัวบาปวัชรตบ่อสัอาตปออยู่ในตู้มันบาปจิตบาใจคนบ้าบุญม่สักตับ่อสรู้ตัวยอผู้หญิงอยู่ในตู้มันอ่ในหัวใจคนนั่นนั่นนั่นข้าอาบน้ำเห้ยังมันสกขระพป คำว่าอาบน้าเขาสังคมกับอะไรยุทธ์เจตน์กับพระพุทธอยู่านนี้คิดใจได้บรรกเอาอย่างหรือมาลางมันเอาศิลธรรมพระองค์เจ้าทนตัวนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นใส่นั่นใสผู้ว่ากับผู้ฟังไม่ได้นั่นออกนอกคนได้เดียวเลยพระพุทธเจ้าสางบาลมีมา เมือักอสงไขยทลายทลายว่าปกคล้องโลกพระพรุทธเจ้าเป็นผู้วปกคล้องโลกเลยจึงทรงพระนามาสักถาเทวมนุษย์ชาหนังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิหานาทางนาชันเตเตประกาศพมจันในพุทธประดิษฐ์ทั้งหลายสักทังทัพยันชนงเกวราปุริปุริปุริสุทธตังพมจันยังประกาศเสสิ์บริบุ์แล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยันชนะ ตา่าหางพระกวันกลังอุ้ยกุณฑียาเมตตามหาพรกวันจังชีนส า, ธานธรรมนี้จึงยอมกราบไหว้ทั้งพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเพราะบริบูรณ์แล้วซึ่งไหนว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านเนีสอนว่านี่ยักแน่วไปฉีพระพุทธเจ้าก็สอนให้นั่งลงสกุนเดือยจัตุฟ้าอภัยเชิดเอวว่าท่าพแปลว่าสอนพระส อ, สอนเน้นสอนโน้มก็สอนคือกันสอนน้มสอนเรียบเื่ากัน อ๋อสอนอกสอนโยมซะก่อนโยมเฮ็ดกะพระเฮ็ดยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวิจิกกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเดือนด้วยให้อมเมทัศทานนะนักสามณภาพในวัดระมงชนี่แล้วยก อ, อนุขคุณฑบุตรดังต่อไปนี้หนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่ว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 สอนวังเพราะก็เมียพระองค์เจ้าก็สอนด้วยยอกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนะผัวนี่ยนี่ขันเองเนี่ยจัดการงานดีเฮี้นกับวตปัทถวยกับว่าร่าพราะเขากับวัตเท่มันทํางเป็นโอ้สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีนะ คนจ้าเชื่อันนบลอกหรืไม่เนี่ยนาบุดบึ้งมัจจบดีเนี่ยนะนม่ตะเพื่อร่วงใจผัวนี่กินข้าวกลวงรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาไว้ขยันแม่เก็ดค่าใน ก, การทั้งปวงอันนี้ผัวเรียนเบี้ยแม่แบบตุงมใกลข้ขากายมันกั บ, บมันกับมันกับมัจเรื่นแล้วเห็นนี่ยนั่นวพระพุทธเจ้าบอกมงล่ะแม่ว่าพอแม่เพิ่นกระ บ, บอก พอครับลูกหนึ่งห้ามอะไระทำความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศีลปวิทยาหาภรรยาและสามีชื่ทศกวรให้มอบชอบให้ในสมัยนั่นะพระพุทธเจ้าสอนพอสอนแม่ได้่ยสสอนลูกเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านได้เลี้ยงมาแล้วเรี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกูลพระพฤติตอนจะเป็นคนควรรับทรบัพย์มรดก เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทํำบนอุทิศใท่านนั่นนั่นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้พระพุทธเจ้ามาสอนว่ามิอะไการครบมิบตรพระพุทธเจ้าสอนมิตรแท้สี่จำ พ, พวกมิตรไม่เอาภากระมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ม็ดรแน่ประโยชน์มิตรมีความรักใคร้มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้กวครคบมิตรไ ม, ม่เอาภากระมีลักษาสี่ป้องกันเพื่อนผู้หมาดแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้หมาดแล้วเมื่อมีใครเอาไป็นที่พึ่งคมรักได้เมื่อมีชุณะช่วยออกทรัพให้เกินกว่าที่ออกปากนั่น นมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรับของตนแก่เพื่อนเปิดความลับของผู้ตนของเพื่อนไว้ทพื่อทายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตก็อาสระเทนได้มิตรเนะประโยชน์มีลักษณะสี่ห้ามไม่กระทําความชั่วให้ตั้งเรียกความดีอนุเคราะห์ด้วยทางใจอัน ง, งามบอกทางสวรรค์ให้มิตรจำพวกนี้เป็นไม่ตแท้ควรครบมิตรปฏิรูปไม่ควรครบเนอหนึ่งคนปอบ ก, ก้อ คนดีแต่พูดคนเพระไปจับคนชักชวนในทางชิบหายคนจำพวกนี้ไม่เคยมิจเป็นแต่คนชมิจเนี่คนครบปลอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ใครดีเสียให้น้อยก็ดชิดเอาให้แรงมากเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทางหยศของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนั่นพระพุทธเจ้าสอนน้องเข้าเลยข้อ ข, อ, ขอดกายบางง่วรานเถาะเอาเรามากินคบกันเพราะว่าออผีบาคบกั น, กนมิจ จิตเราสักกี่วันครบสมมติเจ้านักน่ะ